ตัดสินจากปริมาณน้ำใจจดทำโดยคุณแม่อุไรสีเมืองจิตวิญญาณที่พร้อมจะฉกฉวยเอามากับจิตวิญญาณที่พร้อมจะให้เปล่าออกไปแตกต่างกันมากคุณจะรู้สึกว่าคนเอาแต่ได้นั้นคล้ายต้นไม้มีพิษ ท, ที่เต็มไปด้วยกิ่งหนามแหลมระคายแค่อยู่ห่างก็เหมือนจะต้องระวังตัวจากละอองพิษแล้ว ส่วนคนใจดีที่มีแต่ให้คล้ายร่มโพ ร, ร่มทรายที่เย็นสบายอยู่ในเขตรัศมีแล้วนอนใจพักผ่อนพึ่งพิงได้นานๆจิตวิญญาณที่พร้อมจะพ้นพิดยอมเข้าสู่พบที่เต็มไปด้วยพิษสงจิตวิญญาณที่พร้อมเอื้ออารย่อมเข้าสู่พบที่เปี่ยมด้วยความเอื้ออารณแรกเริ่มเดิมที มนุษย์และสัตว์จะมีสัญชตาตญาณเอาเข้าตัวและหวงแหนสมบัติไว้ไม่อยากให้อะไรใครแม้เห็นใครลำบากยากเข็นหน้าตาหมองเศร้าเข้ามาขอเศษเงินหรือเสื้อผ้าเหลือใช้ก็ไม่มีแก่ใจคิดให้มีแต่จะคิดว่าของของฉันมันเรื่องอะไรต้องให้จิตวิญญาณที่ตั้งมัน่นอยู่ในความตรณีที่เหนียวไม่ให้อะไรใครเลย แม้ให้ได้ง่ายๆมีความอึดอัดคับแน่นเพราะอาการทางใจร้อยรัดเข้าของทุกชิ้นไว้กับตัวยิ่งยึดมากก็ยิ่งนน่นมากคล้ายจิตจะยุบรวมเข้าเป็นลุมดำแห่งความหวงแหนซึ่งสอดคล้องกับพบแห่งความอัตคัดขัดสนที่ประจุแน่นอยู่ด้วยความมืดทึบความตระณีที่เหนียวกับการเล็งโลภอยากฉกฉวยนั้น อยู่ใกล้กันมากแค่ถูกหลุมดำในตนดูดเข้าหาศูนย์กลางความมืดอีกนิดเดียวก็ข้ามพรมแดนจากตรณีเป็นเลงโลกเห็นกันได้อา ย, ยากแล้วต่อเมื่อสงสารใครอยากช่วยเหลือเข้าเต็มที่โดยไม่ได้นึกเลยว่าอยากได้อะไรเป็นการตอบแทนไม่แม้จะนึกว่าต้องได้สวรรค์ชั้นไหนเป็นรางวัลใจก็เปิดแผ่กว้างขวางแสนสบาย มันหลุ่มดำแห่งความตรณีคลายสภาพลงจิตแบ่งบานเป็นขุมพลังสว่างขาวเจิดจ้าให้ความรู้สึกนุ่มนวลซึ่งสอดคล้องกับพบแห่งความกว้างขวางศาสเต็มด้วยแสงสวยแต่มนุษย์ทั่วไปไม่ทราบว่าระดับน้ำใจของตัวเองมีแค่ไหนกันแน่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีแล้วแต่วันต่อเมื่อได้แรงบันดาลใจ เห็นดีเห็นงามว่าการให้ทานเป็นเรื่องน่าทรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมความเคยชินใหม่กระทั่งรู้สึกถึงระดับน้ำใจที่แตกต่างไปจากเดิมได้นั่นเพราะทานเป็นสิ่งที่สะสมได้เพิ่มพูนให้รู้สึกได้ขอเพียงจับแนวทางได้แน่ๆว่าจะบำเพ็ญทานบารมีแล้วเถอะปริมาณน้ำใจวัดกันได้ด้วยความชุ่มชื่นใจ บางคนสงสัยว่าเหตุใดตนเองทำบุญมากแต่จิตใจกลับแห้งแลง้งก็ขอให้สำรวจว่าตนเองมีน้ำใจอยากให้จริงๆหรือว่ามีแต่ใจอยากทำบุญเพราะเห็นว่าคงได้รางวัลเป็นลาบบนโลกมนุษย์หรือสมบัติบนสวงสวรรค์อย่างนั้นยิ่งทำมากยิ่งฝืดยิ่งฝืนมากน้ำใจจะหลั่งรินมากไม่เห็นใครน่าช่วยเกิดความอยากช่วย แล้วได้ช่วยสำเร็จแต่ละครั้งคุณจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่มีความชุ่มชื่นไม่ต่างจากดอกไม้ที่เบ่งบานด้วยสายฝนและคุณจะเห็นว่าโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นก็คือโอกาสในการเพิ่มความสุขให้ตนเองแท้ๆเพื่อความชัดเจนว่าคุณมีน้ำใจคู่ควรกับความสุขในสวงสวรรค์ระดับใดก็ลองมาสารวจดูตามลาดับ ไม่ใช่เพื่อกระตุ้นให้โลภอยากทำบุญหวังผลตรงข้ามเพื่อให้เห็นว่าพัฒนาการของจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ความสว่างขั้นสูงสุดคุณมาสะดุดหรือไหลเรื่อนถึงไหนแล้วสวรรค์อันควรแก่ทานบารมีในแบบของคุณข้อนี้จะอาศัยทานสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้ว่าทำทานแบบใดคู่ควรกับสวรรค์ชั้นไหนเรื่องของจิตเป็นเรื่องลึกลับที่รู้เฉพาะตัวและแบกออกมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าจะดูว่าคุณตั้งจิตไว้อย่างไรเริ่มต้นก็อาจจำเป็นต้องดูผ่านความคิดเป็นคำคำที่ผุดขึ้นในหัวเช่นหนึ่งถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณ ขอให้ได้นางฟ้าลหลายองค์เถอะลาวจิตเจอด้วยความโลภแบบนักลงทุนไม่ได้มีน้ำใจในการให้คุณอาจรู้สึกถึงความกระยิ่มอาจรู้สึกถึงความทยานอยากทั้งก่อนทำขณะรมและหลังทำหากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติทำนองนี้ทุกครั้งที่ทำทานตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นจตุมหาราช สถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณให้แล้วรู้สึกดีจังแปลว่าจิตไม่เจือด้วยความโลภให้แล้วให้ไปคุณอาจรู้สึกถึงความงดงามในการให้อาจรู้สึกถึงความสบายใจชุ่มชื่นเหมือนอาบน้ําให้จิตทั้งก่อนทําขณะทำและหลังทําหากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติทํานองนี้ทุกครั้งที่ทําทาน ตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นดาวดึงสถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณเราทำแทนพ่อแม่พ่อแม่จะได้พลอยชื่นใจไปด้วยที่เราทำให้ลาว่าจิตเจืออยู่ด้วยความกตัญญูรู้คุณกับทั้งรู้จักสละทรัพย์ส่วนตนให้คนอื่นด้วยเท่ากับได้บุญสองทบ คุณอาจรู้สึกถึงการเป็นลูกหลานที่สืบทอดความดีงามให้กับวงตระกูลอาจรู้สึกถึงการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงลูกหลานที่ดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งก่อนทำขณะธรรมและหลังธทมหากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติทํานองนี้ทุกครั้งที่ทําทานตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นยามา ข้อที่สถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณอยากช่วยจริงๆต้องช่วยให้ได้แปลว่าจิตเจืออยู่ด้วยอารมณ์เมตตาการุณาคุณอาจรู้สึกถึงความประเสริฐในการให้อาจรู้สึกถึงการสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยการช่วยเหลือเจือจานทั้งก่อนทขนาขณะทำและหลังทาหากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติทานองนี้ทุกครั้งที่ทาทาน ตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นดุสิตข้อที่หถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณพระดีเหมือนเทวดาดีแล้วที่เราได้ทำบุญกับเทวดาแปล ว, ว่าจิตเจออยู่ด้วยอารมณ์เคารพเลื่อมใสคุณอาจรู้สึกถึงความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ในการให้ทาน อาจรู้สึกถึงความเป็นผู้มีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนาทั้งก่อนทรรมขณะธรรมและหลังธรรมหากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติทํานองนี้ทุกครั้งที่ทำทานตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีข้อที่6ถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณมีโอกาสให้อีกแล้วจะได้ปลื้มอีกแล้ว แปล ว, ว่าจิตเจืออยู่ด้วยอารมณ์โสมนัสคุณอาจรู้สึกถึงความมีค่าของจิตอันสูงส่งเหนือกว่าค่าของสมบัติที่สละไปมากนักหรืออาจรู้สึกถึงจิตวิญ ญ, ญาณที่แจ่มเจ้าของตนทั้งก่อนทำรรขณะธรรมและหลังธทรรมหากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติทานองนี้ทุกครั้งที่ทําทานตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นพระนิมิตะสวัตตี ข้อที่7ถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณจะดูซิว่าจิตเป็นอย่างไรในคราวนี้สว่างมนมีความเป็นสุขหรือว่าเฉยเฉยแตกต่างจากครั้งก่อนแค่ไหนแล้ว่าจิตเจืออยู่ด้วยปัญญารู้ทันสภาพการปรุงแต่งแห่งจิตคุณอาจรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของจิตอาจรู้สึกถึงความไม่มีตัวเขาตัวเราในสภาพจิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยตามเหตุปัจจัย ทั้งก่อนทำขณะทมและหลังทมและหากเป็นเรื่องปกติที่จะรู้ได้อัตโนมัติทานองนี้ทุกครั้งที่ทาทานบุญและความสว่างที่สั่งสมไว้จะส่งเสริมให้เกิดภาวะตาสว่างขณะตายมีสิทธิเห็นธรรมชาติการเกิดดับอย่างแจ่มแจ้งถอนความยึดมั่นว่ามีตัวมีตนเสียได้หากแทงกิเลสได้ขาดทะลุ ก็มีสิทธิ์ถึงความเป็นพระอระหันต์หรือถ้าจะเหลือเศษความรู้สึกว่าต้องมีตนอยู่ก็เป็นพระอนาคามีมุ่งสู่พรหมโลกแล้วจะไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกแต่จะพปรินิพานบนพรหมโลกนั่นเองขอให้สังเกตด้วยว่าการทำทานเจือจานให้ใครๆต่อเนื่องกันนานๆด้วยวิธีคิดแบบไหน ก็จะทำให้น้ำใสใจจริงของคุณเกิดขึ้นแบบนั้นหรือประมาณนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ส่องให้เห็นว่าทำบุญแบบใดก็ได้จิตวิญญาณแบบนั้นในทางปฏิบัติตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราทำทานด้วยความคิดหลายแบบสับไปสับมาบางทีไม่ได้คิดอะไรเลยสักแต่ให้ไปอย่างนั้นเองหรือไม่ก็พัฒนามาตามลาดับ เริ่มจากให้แบบโลภและจึงค่อยให้แบบรู้สึกอยากให้อยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆนอกจากนั้นยังมีอยู่หลายโอกาสที่ไม่ได้ถวายทานเฉพาะกับพระสองค์องค์เจ้าแต่อาจทำกับคนธรรมดาญาติพี่น้องลูกหลานหรือกระทั่งกับเหล่าสัตว์เดรัจฉานแถมความรู้สึกดีๆในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันเสมอไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ คุณก็อาจนึกสงสัยว่าแล้วคติของตัวเองจะมุ่งไปทางใดกันแน่ขอให้จับจุดว่าการให้ทานทุกแบบมีเป้าประสงค์คือการสละออกถ้ามองด้วยตาเนื้อก็ต้องบอกว่าสละออกซึ่งทรัพย์สินแต่ถ้ามองด้วยตาในก็ต้องบอกว่าสละออกซึ่งความตรณีขอให้สังเกตว่าคุณทำทานกับสัตว์ ที่ตอบแทนอะไรคุณไม่ได้เลยอย่างไรก็จะมีแก่ใจทําทานกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักมักจี่เช่นนั้นพอทําทานกับคนแปลกหน้าอย่างไรคุณก็จะมีแก่ใจถวายทานเดหมูสงที่ไม่คุ้นเคยในทํานองเดียวกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทา น, นาจิตแบบใดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ไปไหนยังคงฝังรากเป็นเชื้อในการให้ทานครั้งต่อๆไปอยู่นั่นเอง ขอเพียงคุณจับจุดถูกสังเกตถูกว่ายิ่งให้ออกไปยิ่งเพิ่มภูน้ำใจเข้ามามากขึ้นไหมก็จะไม่สงสัยเลยว่าการทำทานครบวงจรก็คือได้ทั้งปัจจุบันมั่นใจทั้งอนาคตด้วยและเมื่อมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นในการให้ทานคุณจะไม่หลงทางตามกิเลสตนเองเช่นคำว่าเรื่องอะไรจะให้ เหมือนหายไปจากหัวแต่จะมีคำว่าให้ยังไงเท่าไหรด่ดีเข้ามาแทนที่คือไม่ใช่ให้แหลกแบบหน้ามืดตามัวแล้วก็ไม่ใช่หวงแหลกแบบคนใจดำแต่จะอยู่ตรงกลา ง, ลางช่วยเหลือตามสมควรเพื่อประโยชน์สุขของทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรา ความฉลาดในการให้ทานความฉลาดในการให้ทานก็เป็นสิ่งที่จะค่อยๆก่อตัวขึ้นความสุขที่เอ่อล้นขึ้นมาเรื่อยๆจะบอกคุณว่าให้ความสุขย่อมได้ยิ่งกว่าความสุขหรือกระทั่งรู้สึกเป็นจริงเป็นจังจากสัมผัสภายในว่าช่วยคนอื่นแล้วตัวเองจะรอดคุณจะตระหนักว่า สิ่งที่ช่วยให้คุณได้ทำบุญทุกวันนั้นไม่ใช่เงินแต่เป็นใจขอเพียงมีใจก็อาจให้ทางบนถนนอาจอดทนเมื่อถูกรถอื่นปาดหน้าอาจอภัยไม่ถือสากับการกระทบกระทั่งบนรถเม์อาจออกจากบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนออกไปฝึกใจขับไล่ความมืดด้วยแสงสว่างจากบทฝึกนานับประการระหว่างวัน เพื่อกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนได้ไปทำบุญใหญ่โดยไม่ต้องรอวันพระในทางตรงข้ามหากมีเงินแต่ไม่มีใจแม้กองบุญใหญ่อยู่ตรงหน้าก็ไม่คิดทำอยู่ดีดังที่ทราบแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานธรรมะทั้งหลายสาเร็จได้ด้วยใจซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีใจคิดให้สิอย่างเดียว อย่างไรก็ทำบุญได้ตลอดและเมื่อทำบุญอยู่ตลอดวันตีตัวย้ายบ้านจึงสบายใจรู้สึกตัวว่ามีเหลือเฟือพอจ่ายค่าบ้านใหม่อยู่สบายโล่งโถงปลอดโปร่งได้เท่าใจตนเองไม่ใช่เท่าจํานวนเงินที่จ่ายไปมีความฉลาดแลรู้เองอีกมากมายจะหลั่งไหลาตามมาเพราะจิตอันเป็นต้นทางสวรรค์ ย่อมเปล่งประกายขึ้นเต็มภูมิเป็นทางมาของยานอย่างรู้สามารถจำแนกแยกแยะความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามวันและเวลาที่สะสมบุญกระทั่งถึงขั้นได้ภูมิคุ้มกันจากความเป็นมิจฉาทิฐิกันภูมิคุ้มกันจากความเป็นมิจฉาทิฐิ เมื่อจิตของคุณตั้งมั่นในทานรู้จักสภาพธรรมในตัวเองว่าทานแ ท, แท้เป็นอย่างไรก็จะไม่มีใครมาหลอกคุณในเรื่องทานและผลของทานได้อีกเช่นเวลาได้ยินพวกมิจฉาทิฏฐิประกาศว่าบริจากดวงตาแล้วชาติหน้าตาจะบอดคุณจะมีสัญชตาตญาณรู้ได้เองว่าให้อะไรไปยอมได้สิ่งดีกว่านั้นหรืออย่างน้อยเสมอกันกลับคืนมา เมื่อเปิดการเห็นให้ผู้มืดบอดในภายหลังย่อมเป็นผู้ได้การเห็นที่แจ่มชัดหรือกระทั่งสว่างแจ้งเป็นรางวัลหาใช่การได้ความมืดบอดเป็นผลตอบแทนไม่แม้พระพุทธเจ้าสมัยบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ควักดวงตาบริจาคมานับครั้งไม่ท่วนยังไม่เคยปรากฏเลยว่าเกิดใหม่ท่านตาบอด มีแต่ว่าประกายพระเนตรจะวาวามคมกล้างดงามชวนศพจ้องยิ่งกว่าใครๆเสียด้วยซ้ำหรือเมื่อได้ยินเหล่ามิจฉาทิฏฐิพากันเปล่าร้องว่าถ้าอุทิศบุญกุศลให้คนอื่นอยากคิดว่าจะอุทิศให้ทั้งหมดเพราะตัวเองจะไม่เหลือกินเหลือใช้เลยคุณก็จะมีสัญชาตญาณรู้ได้เองว่าความสว่างแห่งบุญกุศลก็เหมือนความสว่างแห่งจิตหรือความสว่างแห่งเปลวเทียน เมื่อเอาเทียนต่อเทียนความสว่างย่อมเพิ่มโดยความสว่างเดิมไม่ลดลงเลยการคิดอุทิศแบบแบ่งแค่ครึ่งเดียวหรือคิดเจียดเพียง1 0 2ถึงซะนสอีกกลับจะทำให้จิตประณีมีนิสัยหวงแหนไม่เผื่อแผ่เชื้อจารให้สุบสว่างเต็มกำลังหรือถ้าได้ยินโบราณอาจารย์บางท่านสอนว่าจะให้ทานต้องเต็มใจให้ทานถ้าฝืนให้ทาน หรือไม่มีความเลื่อมใสแล้วเกิดใหม่จะเป็นผู้พิกรพิการอันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไว้ที่ไหนกับทั้งคุณจะมีสัญชตาตญาณรู้ได้เองว่าการให้ทานอย่างไรก็เป็นการสละออกเป็นอาการของบุญกุศลหากไม่เต็มใจก็เหมือนกำลังใจพร่องไปแสงสว่างไม่สุกสกาวเต็มที่ยังมากสุดก็มีโทษแค่ว่า เมื่อกำลัถึงเวลาเพลดผลก็จะได้ผลลัพธ์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหาใช่จะต้องถึงขั้นเกิดใหม่เป็นผู้พิกลพิการไม่ก็สภาพพิกลพิการนั้นที่แท้ต้องบันดาลขึ้นจากบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นไปหักแขนหักขาสัตว์ไปแกล้งทําให้สัตว์หรือมนุษย์ตาบอดเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอิสัทสูตรว่า จิตมีความปราบปลื้มในการให้ทานที่ไหนก็ตามกับบุคคลใดก็ตามก็ควรให้ทานในที่นั้นกับบุคคลนั้นความหมายคืออยากให้อะไรกับใครเมื่อใดถ้าไม่เดือดร้อนแล้วก็ควรรีบให้เลยอย่าลังเลเพราะการให้ทานนั้นจะประกอบด้วยพลังโสมนัสบันดาลกำลังใจในการให้อย่างเปี่ยมเต็มย่อมสลัดความตระนีเต็มที่ กับทั้งได้อานิสง์ที่พึงมีพึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่คิดอีกทางหนึ่งคือถ้ายัางไม่ค่อยได้ลิ้มรสความปราบปลื้มในการให้บ้างเลยก็ควรหมั่นฝึกหมั่นรู้จักให้เพื่อสะสมน้ำใจขึ้นมาถึงจุดที่ปลื้มเป็นอิ่มใจเป็นเพราะถ้าไม่ฝึกให้บ่อยแล้วความตรนีก็จะหวนกลับมาครอบงมใจไว้จนหมด